y languages. C. Cuatro. โรงเรียน A la escuela. เราอยู่ที่ไหน n som. เราอยู่ที่โรงเรียน Nosotras som a la escuela. เรากำลังเรียนหนังสือ a ราอ s t นภาษาอั a ก s e นั่นคือนักเรียนนั่นคือคุณครูนั่นคือชั้นเรียน เรากำลังทำอะไรอยู่เก็บแเรากำลังเรียนหนังสือเรากำลังเรียนภาษาเรา s ำ <¿Qué> s t u d i ียนภาษา l e n g u a ดิฉันเรียนภาษาอังกฤษ คุณเรียนภาษาสเปนทูออสตูดิอ e s ์ลาสเปญอลเขาเรียนภาษาเยอรมัน e อลเลสตูดิ a าลลาลาแมเราเรียนภาษาฝรั่งเศสนูซา t r ร s e s t สตูดิเอมาลฟรานเซพวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียน v o s าลทร์ e s อสตูดิเ i อุ l i ิตา พวกเขาเรียนภาษารัสเซีย ells elles estudien e l rus การเรียนภาษานั้นน่าสนใจ Est u d i a r llengües és interessant เราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่นๆ n o s s t r e s volem c o m p r e n d r la gent เราอยากจะพูดกับคนอื่นๆ nosotros v o l e m p a r l a r a la gen t